พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่13ปพระสูตรที่39ธรรมเจติยะสูตรสูตรว่าด้วยเจดีคือพระธรรมพระผู้มีพระภาคประทับนเมทะลุ ป, ปานิคมแควนสักกะพระเจ้าประเสนิที่โกศลมีพระราชกรณียกิจเสด็จไปยังนคร น, นั้นโดยลำดับ ในการเสด็จไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทรงมอบพระขันและพระอุณหิตคือกรอบพระพักแก่ทีฆะการายณะอัมมัดแล้วเสด็จดำเนินไปยังวิหารซึ่งปิดประตูค่อยๆเข้าไปสู่ระเบียงทรงกระแอมแล้วเคาะบานประตูพระผู้มีพระภาคก็ทรงเปิดประตูจึงเสด็จเข้าไปสู่วิหาร หมอบลงที่พระบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียรกล้าวทรงจุมพิตพระบาทพระผู้มีพระภาคด้วยพระโอษฐท่งนวดฟันฝ่าพระบาทด้วยพระหัตต์ประกาศนามของพระองค์พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าทรงเห็นอำนาจประโยชน์อะไรจึงทรงแสดงความเคารพอย่างยิ่งในสรีระนี้ตรัสตอบสรนเสริญว่าหนึ่ง ไม่ทรงเห็นพรหมจรรย์อื่นจากพรมจรร์ น, นี้ที่บริสุทธิ์บริบูรณ์เห็นปานนี้ทรงมีความรู้ด้วยญาณอันประจักษ์ในพระผู้มีพระภาคว่าพระผู้มีพระภาคตรัสรู้ดีโดยชอบพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสดีแล้วพระสงฆ์สาวกเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วสองทรงเห็นภิกษุทั้งหลายร้อมเพลียง ไม่วิวาดกันเข้ากันได้ดี 3. ทรงเห็นภิกษุทั้งหลายร่าเริงยินดีมีอินทรีย์ช่ำชื่นคงจะได้บรรลุคุณในพิเศษอันโอลานสพระสาวกเตือนกันและกันไม่ให้ทรงเสียงเอ็ดอึงแม้ไอาจามในขณะที่พระผู้มีพระภาคแสดงธรรมแสดงว่าทรงฝึกหัดบริษัทได้ดี โดยไม่ต้องใช้อาชญาและศัตราสำหรับข้อหถึง8ส่งเห็นบัณฑิตผู้เป็นกษัตริย์เป็นพราหมณ์เป็นขฤรหาบดีเป็นสมณนะปูบปัญหาถามว่าจะยกวาทะพระสมณะโคดมแต่แล้วก็กลายเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคไปเก้าช่างไม้ชื่ออิสิทันตะกับปูราณนะ ได้รับการเลี้ยงดูเป็นอย่างดีจากพระเจ้าประเสริที่โกศนแต่ก็ไม่แสดงความเคารพในพระองค์เท่าในพระพุทธเจ้าครั้งนั้นทรงทดลองอยู่ในโรงพักแคบๆช่างไม้สองคนทราบว่าพระพุทธเจ้าอยู่ทางไหนก็นอนหันศีรษะไปทางนั้นหันเท้าไปทางพระเจ้าประเสริที่โกศน์สตรัสชี้ให้เห็นว่า พระผู้มีพระภาคและพระองค์ก็เป็นกษัตริย์เหมือนกันมีอายุแปดสิบเหมือนกันเป็นชาวโกศลเหมือนกันเพราะเหตุทั้งหมดนี้จึงทรงแสดงความเคารพอย่างยิ่งในพระผู้มีพระภาคเมื่อพระเจ้าเปเสนที่โกศลเสด็จจากไปแล้วพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภาสิทธิ์ของพระเจ้าเปเสนที่โกศลว่า ธรรมเจดีทรงถือว่ามีประโยชน์และเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ทรงสอนให้ภิกษุทั้งหลายเล่าเรียนทรงจำไว้